คืนเพนจัน์กระจ่างฟ้าคืนนี้นับเป็นคืนวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งครอบครัวของนัชเลรวมถึงอเวลาและจองเริศได้มาร่วมเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ด, ด้วยนัชเลอุ้มเจ้าอุโยหมาตัวน้อยให้ร่วมเดินเวียนเทียนด้วยโดยตัดทูบเทียนสั้นเป็นพิเศษเตรียมดอกไม้ช่อเล็กไว้แล้วประคองเจ้าอุโ ย, โยด้วยมือซ้ายส่วนมือขวา ก็รวบสองขานหน้าของมันไว้ในท่าพนมมีทูกเทนดอกไม้ปักไว้ระหว่างกลางไม่สนใจสายตาของใครๆที่มองมาอย่างประหลาดใจเจ้าอุย โ, ยโยแค่ร้องเบาๆตอนที่เปลวเทียนอยู่ห่างจากหน้ามันนิดเดียวแต่ก็ไม่ดิ้นโดนขัดขืนแสดงท่ารำคาญอยากลงไปวิ่งเล่นนําซ้ำยังแสดงท่าทางมีความสุขเสียด้วยจ่องเลกที่เดินตามอยู่ข้างๆ แต่แต่สงสายตามองมาด้วยความรักและชื่นชมหลังจากเวียนเทียนเสร็จทุกคนต่างแยกย้ายเอาเวลากลับพร้อมครอบครัวของนัชเรโดยอาสาเป็นคนขับรถให้ส่วนจองเริกแยกกลับบ้านเองต่างหาก <c oughs> นึกไม่ถึงนะคะว่าจะมีคนบังคับให้หมาถือธูปเดินเวียนเทียนได้ด้วย <c oughs> นั่นล่ะสายเขาล่ะ ตั้งหน้าตั้งตาให้หมาทำบุญเป็นที่หนึ่งไม่มีใครเกิดหน้าอีกแล้วในโลกเนี่ดีนะคะพี่น้องน่าเสียดายตอนหมาของเค้กยังอยู่น่าจะเอามาเดินเวียนเทียนดูมั่งแล้วน่าเค้กไม่ซื้อหมามาเลี้ยงอีกแล้วคะนั่นสิเห็นเจ้าอุ้ยโหยบ่อยๆชักนึกมันเคี้ยวขึ้นมาอีกเหมือนกันน่ยแต่เอาจริงคงไม่ไหวหรอกต้องทำโน่นทำนี่เหนื่อยจะตายชักขืนเลี้ยงหมาอีกตัว มีหวังลงไปนอนชักเด็กๆให้มันสงสัยว่าเราเป็นอะไร <c oughs> ทำงานเหนี่เหนื่อยกลับมาเจอหน้าหมาจะได้หายเหนื่อยไงคะเลี้ยงเจ้าพวกหมาสักดินานียคงไม่ใช่แค่กลับมาเจอหน้า ห, หายเหนื่อยหรอกต้องเล่นกับมันเลี้ยงมันเหมือนลูกไม่งั้นเห็นมันเหงาแล้วสงสารแย่สมัยก่อนตอนจำเป็นต้องเอาหมาเข้ากรงแต่ละครั้งน่ารู้สึกผิดเหมือนจับเด็กขังคุกย้อนนึกไปแล้วเหมือนชีวิต ขาดเสรีภาพไปซะหลายปีต้องรับผิดชอบลูกคนหนึ่งที่ไม่ได้ออกมาจากท้องเราไปจนกว่าจะครบวาระอืมอุโยไม่เห็นเป็นภาระเลยเนอะงำๆๆถ้าพูดยังไงไม่นี่เขาก็ไม่เข้าใจหรอกดูสิหันไปเล่นกับหมาแล้วปล่อยให้หมาเลียนหน้าก็ได้ฮ้ยลูกสาวฉัน <laughs> <laughs> อเออจริงสิ พ่อหนุ่มที่มาเดินเวียนเทียนวันนี้ด้วยอ่ะเป็นใครดูสงบส ง, งียมสุภาพเรียบร้อยดีจริงๆถ้ท่าทางฉลาดนะแฟนสายรือเปล่าจ๊ะก็เป็นคนสนิทนะคะแต่แม่คงยังไม่อยากให้ยอมรับกับฐานะเพื่อนมัง้งเขามองสายอยู่ตลอดเวลาเลยนะเหมือนคนกลัวของหายสงสัยพยายามระลึกชาติมากกว่าเห็นก่อนกลับกระซิ ว, ว่าคุณบรรยากาศมาทาบุญกับสายจังว้าวเอก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 แตกต่างจากที่เคยมาเดินตามเราต้อยๆทุกคนพวกนั้นน่ะทำให้ไซรู้สึกเหมือนมีคนแปลกหน้ามาสะกดรอยตามกำลังชอบใครสนิทกับใครหรือถูกอัธยาศัยกับใครก็เกิดอุปทานทำนองดีได้ทั้งนั้นแหละอย่าเพิ่งถือมันง่ายๆดูๆกันไปเรื่อยๆก่อนก็ดูอยู่ไงคะวันนี้ก็ดูดูแต่ตาน่ะไม่พอหรอกใจเราต้องคิดด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่ สิ่งที่แม่เห็นคือเขากำลังหลงหนูหนูอยากให้เขาเป็นยังไงเขาก็คงจะเป็นอย่างนั้นเอาไว้คบกันนานจนชินชินแล้วค่อยดูใหม่ว่าจะออกลายเป็นอะไรหรือเปล่าถึงบ้านแล้วเดี๋ยวายเปิดประตูให้ค่ะแม่อุยโย่อย่าดื้อ น, นะนั่งตักแม่ฝนไปก่อนนะฝนายฝากอุยโย่หน่อยนะอย่ามัวแต่หลับตานั่งเข้าชานเพลอล่ะอื นันชเลตเตรียมลงจากรถหลังจากนําเจ้าหมาน้อยวางไว้บนตักพี่สาวแต่ไม่ทันสังเกตว่าเมื่อตอนเองเปิดประตูลงรถเจ้าอุยโญได้กระโดดแผลวตามมาด้วยเปิดประตูบ้านแล้วขเข้ามาได้เลยค่ะนะาเค้กอ้าอุยโญฮะอุยโญอุยโญเป็นยังไงบ้างฮะ โจ้อุยโหเจ้าอุยโหกกำลังดิ้นพลาดพลาดโดยปราศจากเสียงร้องมันชักกระตุกดีดไปมาคล้ายปลาถูกทุบหัวด้วยค้อนอมหิตแสงนีออนจากถนนสาดลงมาให้เห็นไส้ที่หลุดทะลักออกมานอกตัวสองขาหน้าของมันตากายอากาศอย่างรุนแรงก่อนที่จะค่อยๆโรยแข้งขาลงสู่ความสงบทีละน้อย จนกระทั่งยุติความเคลื่อนไหวทั้งปวงตายแล้วทาไมเป็นแบบนี้ล่ะก็ตะกี้มันยังนั่งอยู่บนต่างฝนอยู่เลยอะนานะนานะทําทำให้มันตายนาคข้าเจ้าอุยโหรนัชเลอุ้มเจ้าหมาน้อยขึ้นมาด้วยอาการสงบเป็นปกติไม่มีกริยาฟูมฟายไม่ร่ำร้องเพอ้อพก ไม่มีแม้แต่ในตาโกรธครึ่งผู้ใดเธอจุมพิตปิดตาศพทีละข้างก่อนเงยหน้ามองพี่สาวและเอเวราไม่เป็นไรหรอกฝนไม่ต้องเสียใจแล้วค่นะนัเคก้กถึงคราวของมันนะทุกอย่างถึงได้ประจวบเหมาะอย่างนี้สายเป็นอะไรหรือเปล่าลูกบอกแม่ได้นะนันเค้กเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะสายไม่เป็นไรแล้วค่ะแม่ แค่ตกใจตอนแรกเท่านั้นเองดูหรือเปล่าว่าเจ้าอุโญนะ่นี่ยตายแล้ว <c oughs> ก็ตายในสิค่ะแม่ตัวเล็กนิดเดียวโดนรถทับเข้าจงจังยังรอดอยู่ก็แปลกแล้วแล้วนี่ลูกแกล้งทําเฉยๆแกล้งทําเป็นไม่เสียใจหรือเปล่าเก็บกดไว้แบบนี้ไม่ดีนะลูกแม่เป็นห่วงไม่ได้เก็บกดแล้วค่ะซายก็เศร้าเหมือนกัน แต่เจ้าอึหยไปดีแล้วนี่ใช่ไ้ยลูกไปดีแล้วนะสายนาะขอโทษนาะเสียใจจริงๆนาแค่ค่ะหนาะแค่เกี่ยวร้องไห้เลยค่ะนี่มันก็แค่ภาพหลอกภาพหนึ่งเท่านั้นเองหมายความว่ายังไงจ๊ะภาพหลอกก็หลอกว่ามีการตาย รอกว่ามีเหตุการณ์น่ากลัวไงคะความจริงแล้วเปล่าเลยเจ้าอุโยโหยได้เวลาเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมตังหากสายทำใจได้จริงๆเหรอเนี่ยถ้าลำพังทรายเองเจอเรื่องปุบ ป, ปับก็คงเอาไม่อยู่เหมือนกันแลน้วฝนอาจร้องไห้แผดเสียงดังแผดบ้านก็ได้แต่ว่าเพิ่งเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วตอนนี้นอกจากไม่เศร้า และยังปรับปลื้มยินดีแทนจะอุยโหยอีกด้วยหมายความว่าอย่างไงตรียมใจล่วงหน้าเธอรู้ว่าอุยโหยจะตายคืนนี้งั้นเหรอก็ไม่ถึงกับรู้แบบเจาะจงว่าเป็นคืนนี้หรอกที่สายเพิ่งไปหาหมออุปการะมาไงวันที่นัดกับฝนแล้วฝนปวดหัวตัวร้อนกระทันหันนะ่ะสายถามแกเรื่องอุยโหยก็ได้รับการทำนายว่าอีกไม่นานมันกนําลังจะถึงคราวเปลี่ยนภพและมันจะได้ไปดี ไม่ต้องทนทรมาในอัตภาพที่ตกต่ำเป็นหมาเหมือนอย่างนี้อีกหลังจากถูกอกศุศลวิบากกักขังหน่วงเหนียวไว้เสหลายชาติและที่น่าภูมิใจก็คือในขณะที่สายยังช่วยมันได้สายที่เป็นคนกำหนดเลือกให้มันไปดีเกิดใหม่ในที่ดีกว่าแน่ใจอย่างนี้เลยไม่เห็นเหตุผลให้ต้องเศร้าไม่รู้จะฟูงไฟไปทาไมปลื้องปิติเสมากกว่าค่ ะ, <S <S <S ะพ่อหมอนั่นเอง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 จิตก็รวมลงเป็นความสว่างเย็นได้สายไม่ได้เชื่อหมอดูอย่างเดียวนะแต่แตัดสินจากสัมผัสของตัวเองเมื่อครู่ด้วยสายเชื่อว่าน้ําหนักกุศลที่สั่งสมมาของมันชนะอาการตายทรมานส่งให้ผ่านพบอบายไปสู่สุคติแล้วไปอยู่ไหนไม่รู้สิไว้จะลองถามพ่อหมอดูที่รู้กับตัวเองเดี๋ยวนี้ก็คือ สายสัมผัสกระแสอะไรบางอย่างที่ทำให้เบิกบานและชื่นใจมากเลยนี่สายไม่ได้กำลังพยายามทำให้น้าสบายใจใช่ไหมจ๊ะโถ่เอ้ยสายจะแกล้งทำไมแหละคะถ้าในอารมณ์ที่ผิดปกติมองไม่เห็นตามจริงสายคงตีโพตีพายตัดเพาะต่อว่าน้าเค้กที่ขับรถทับมันหรือแม่ก็กล่าวโทษยายฝนที่อุตส่าห์ฝากให้แล้วมัวแต่นั่งหลับตาไม่ดูแลแต่ในอารมณ์นี้ ายเห็นชัดว่าเป็นความผิดของายเองที่ไม่รอบคอบทุกทีตอนลงมาเปิดประตูรั้วให้พ่อแม่ายไม่เคยปล่อยให้มันลงจากรถได้วันนี้เป็นยังไงไม่ทราบถึงฉล่าขาดความระวังไปนักเค้กไม่มีส่วนผิดไม่มีโอกาสํามัดระวังอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนฝนก็นั่งหลับตาอยู่แบบนั้นก็ไม่ทันคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นได้ดูเข้าใจอย่างนี้ก็ดีแล้วลูกนี่แหละาย หนูทำความหมายของการอยู่ร่วมกันให้ประเสริฐแล้วประคับประคองกันและกันไม่ให้ตกต่ำหรือกระทั่งทำตัวเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกันไปดีนี่แหละการอยู่ร่วมกันที่ประเสริฐสุดแล้วค่ะแม่เสียดายนิดเดียวเรารู้แต่ว่าเขาจะไม่อยู่กับเราอีกแล้วแต่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อจากนี้แต่อย่างน้อยสายก็รู้ไงจ้ะ ค่ะท า, า, ายมั่นใจกรรมของอุยโหยจะติดตามไปดูแลมันเองค่ะคืนวันนั้นจองเริกได้โทรศัพท์มาหาณเฉลและได้ข่าวของเจ้าอุยโหยอุยโหยตายแล้วนะเิกเอา้าวเป็นอะไรไปล่ะเมื่อตอนเวียนเทียนยังเห็นดีดอยู่เลย โดนรถทับตอนกลับจากวัดน่ะซายไม่ทันดูมันจริงๆเสียใจด้วยนะซายแต่มันคงถึงเวลาเลื่อนชั้นภูมินั่นเองซายอุตส่าห์เตรียมสเสบียงไว้ให้มันตั้งเป็นกองภูเขาแถมตายตอนเพิ่งกลับจากเวียนเทียนซะด้วยจังหวะเหมาะจริงๆอืมอย่างที่พ่อหมอทํานายเอาไว้เลยมาอุปการะทานายไว้ด้วยเหรอก็วันที่สายไปกับเร็กนั่นแหละแต่ตอนนั้นเรองคงไม่มีแก่ใจฟังมั้ง ซายถามตอบกับพ่อหมอแค่สองสามประโยคก่อนกลับซุ่มเสียงซายไม่เศร้าเลยสมเป็นเด็กธรรมาจริงๆซายดีใจมากกว่าที่มันพ้นโทษได้สักทีแล้วทำไงกับศพหรือยังให้เราช่วยทำอะไรไหมไม่ต้องหรอกจ้าซายตัดขนไว้เป็นที่ระลึกกระจุกหนึ่งตอนนี้เก็บใส่กล่องไม้ไว้ตั้งใจว่าพรุ่ง น, นี้จะติดต่อจ้างช่างที่คุ้นกันมาขุดหลุมและบกปูนปักป้ายให้ จะซื้อตัวใหม่อีกไหมคงไม่หรอกอ้าวทำไมล่ะความจริงนะ่ะไม่ใช่ว่าสายพิศวรสัตว์เลี้ยงไปหมดหรอกนะหลายปีก่อนหน้านี้เคยมีหมาแมวในบ้านสายก็ไม่ได้อะไรกับพวกมันนะกับอวิยโยเนี่ยเหมือนความผูกพันพิเศษเฉพาะตัวมากกว่าอืมเอ่อพรุ่งนี้ไปเล่นแบด ก, กันไหมชอบเล่นมากเหรอแบทนะ่ะก็ชอบนะ จใจบอกได้ยังไงล่ะว่าที่ขยันชวนเนี่ยเพราะเจ้าต่อยมาเร่งเช้าเร่งเย็นสาซีจนต้องยอมใจอ่อนแล้วก็อยากอวด้ายมาได้เห็นด้วยนั่นแหละก็ได้แต่บอกไว้ก่อนนะไว้เล่นไม่เก่งแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยไม่เป็นไรแล้วอยากชวนพี่สาว้ายไปด้วยไ้ยล่ะเอาไปรุมเราคนเดียวหรือผลัดกันเข้าออกตอนเหนื่ยก็ได้ จะควงสองสาวประดับบา ร, รมีเลยเหรอเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นให้เราไปหิ้วกระเป๋าเดินตามก็ได้นะหรือจะให้เราเหน็บเพื่อนไปอีกคนดีไหมจะได้เล่นครบคู่ไม่เหนื่อยมากแล้วแต่เลิกสิแต่อย่าเอาแบบพูดจามไม่น่าฟังมาล่ะโอ้ยรับรองหมอเ น, นี่ยพูดเก่งเก่งแบบเจ้าชู้ก็อย่ามาใกล้พี่สาวซายก็แล้วกันงั้นเราจะพยายามกันๆเอาไว้นะอีกต่อยเอ้ย ถ้ากูไม่คิดอยากอวดแฟนให้มึงอิจฉานเน่นแหละนะไม่มีทางยอมตามใจพาเมืองมาเล่นแบดด้วยหรอกสองสาวนั่นจะมาตอนไหนวะอีกเดียวมึงเรามากันก่อนเวลานี่แล้วสองสาวเนี่ยเล่นแบดก็ไม่เป็นเลยเหรอก็น่าจะตีถูกอยู่บ้างแต่ยังไงมึงก็ไม่คิดจะมาเล่นแบดกับสาวเก่งอยู่แล้วนี่จริงของมึงกูกบมาชมความงามของนักแบดมือใหม่เนี่ยเนาะ เออเราพี่สาวแฟนมึงอ่ะเขาชื่ออะไรชื่อฝนอะไรวะกระสันอยากมาเจอเขาแต่ดันจำชื่อเขาไม่ได้เพิ่งบอกไปเมื่อวานนี้เองเออสิวะในหัวกูมีแต่ชื่อของซายเท่านั้นโว้ย อ, อ้ฮ่าเปล่ากูแค่อยากย้ำความมั่นใจอีกทีใกล้เวลาแล้วล่ะออกไปดูกันเถอะอืม เออนั่นไงพ่อเขาพามาส่งเดินไปสวัส ด, ดีกันหน่อยสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับอืมสวัสดีนี่เพื่อนของเริกเหรอครับเรียนด้วยกันมาตั้งแต่มนหนึ่งหน้าตาดีนี่เป็นนหนแบบด้วยหรือเปล่าอ่ะ เ, ออเราเ อ, อ๋อเปล่าครับคุณพ่อผมขาคุณสมบัติสำคัญของนายแบบไปข้อหนึ่งนะครับข้อไหนล่ะเออชอบเกเรียนนะครับ <c oughs> กลับบ้านไปนี่ต้องเตือนฝนกับซรายใหระวังผูรหลบหลอกคนนี้ซะหน่อยแล้วถ้าถามันจะกระล่นอาวุธแพรว้าวรอบตัวเชียวเอาละไปเล่นแบดกันเถอะไปนี่ซรายนี่ฝนแล้วก็นี่เพื่อนเราชื่อตอยอือย่างเงี้ยเราจะสู้ไหวเหรอซรายนั่นดีหน่วยก้านของทีมชายไม่ค่อยเหมือนหมูเท่าไหร่เลยนี่สงสัยจะเล่นไม่สนุกหรอกต้องสนุกสิ เดี๋ยวเราแบ่งข้างกันชายหญิงก็ได้เราคู่กับทรายให้ต่อยคู่กับฝนแล้วจะเล่นคู่ยังไงอ่ะกติกาไม่ต้องพูดถึงแค่นับแต้มยังไม่เป็นเลยอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกแค่ตีลูกให้ถูกก็พอเดี๋ยวที่เหลือพี่เลี้ยงจัดการเองเอาอย่างนั้นเลยเหรองั้นเลยสิอโอเคสี่วัยรุ่นหนุ่มสาวแบ่งข้างเล่นกันโดยจองเลิกจับคู่กับนัชเลและพฤหัส จับคู่กับละ อ, องฝนความจริงสองสาวไม่ถึงกับมืออ่อนเท้าอ่อนตีไม่ถูกหรือวิ่งไม่ไหวดังคำถมตัวขาดแต่ความชัอไวัซึ่งตรงนี้ถูกชดเชยด้วยความเร็วของพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพทำให้รสชาติของการเล่นเต็มได้วยสีสันสนุกสนานมีเสียงวิทว้ายลุ้นกันปรับราย <c oughs> ดีมากสิไหนบองเก่งอะเก่งอยู่แล้วอะต่อต่อผลการแข่งขันเซตแรกข้างของจองเริกกับนัชเลชนะนำโด่งถึงส1อดต่อห้าหลังจากพักเซตดื่มน้ำพฤหัสก็เกิดแรงฮึสู้อยากเอาชนะไม่ต้องการให้จองเือกกับคู่ของเขาชนะติดต่อกันถึงสองเซตรวด การแข่งขันจึงเข้มข้นขึ้นพฤหัสทุ่มเทฝีมือหวังจะเอาชัยชนะในเซตนี้ให้ได้แต่จองเริกก็เหนียวทนทายาิสามารถรับได้ทั้งลูกหลอกล่อลูกรับยากๆกที่ตีไปทางน้ำเลยคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการก้าวิ่งและการเคลื่อนไหวต่างๆของจองเริกกลายเป็นจุดสนใจของใครต่อใครทั้งในและนอกสนามยิ่งรับลูกยากขึ้นเท่าไหร่ ฝีไม้ลายมือยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นเท่านั้นพระฤหัสเริ่มปาดเหงื่อจากหน้าผากเมื่อจองเริกนำทีมทำแต้มได้ถึงสิบขณะที่ข้างเขาเพิ่งตามหลังมาเพียงห้าเฉียดแพ้อยู่รอมรอแค่แต้มเดียวเวลานี้ไม่ใช่การเล่นแค่เอาสนุกอีกต่อไปเขารู้สึกว่ามันมีศักดิ์ศรีของตนเองเป็นเดิมพันจองเิกสังเกตเห็นอาการท่าทางของพรฤหัส เขาจึงเปลี่ยนให้นัชเลเป็นคนเสิร์ฟบ้างและพ่อนกำลังเล่นลงมาจนดูเหมือนเนือยเหนื่อยแรงตกเนื่องจากทุ่มเทกำลังในเซตแรกมากเกินไปผลก็คือพรืหัสสามารถทาคะแนนไล่ตามมาติดติดจนกระทั่งไล่คะแนนได้ทันที่สิบต่อสิบว่าไงพวกจะเล่นที่สิบเอดลูกหรือว่าดิวสิบสามสิบเอ็ดก็พอโอเช่ และแล้วการตัดสินแบบแต้มเดียวเด็ดขาดก็เริ่มขึ้นการเล่นเริ่มแบบง่ายๆพริหัสใช้ลูกเสิฟ ธ, ธรรมดาจองเรกิกตียอดมาทางฝั่งซ้ายพริหัส ร, รับลูกงัดให้โดงไปตกเกือบถึงเส้นหลังนัชเลสวนลูกคืนมาเต็มแรงแบบเออเออลูกกำลังจะออกเส้นข้างแต่ละอองฝนกลับรับแบบไม่รู้อินโนอิเนเอแถมช้อนให้ลอยพอเหมาะ แบบให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามตบกลับมาอย่างงามเสียด้วยชิบหายแล้วไอเ้เลิกมันตบกลับมาแน่เฮ้ยไอเ้เลิกตบติดเน็ตเราชนะแล้วโว้ยจบเกมแล้วเสมอหนึ่งต่อหนึ่งเอเอเกมนี้เราแพ้นเนอะ โอ้ยเหนื่อยจังเลยหิวน้ำขอน้ำหน่อยสิยจริงด้วยเหนื่อยจังเหนื่อยโชคเลยแล้วเราไม่เหนื่อยเหรอทำหน้าสดชื่นเหมือนคนดูไม่ได้ออกแรงเล่นอย่างนั้นล่ะสายกับฝนน่ะต้องออกกำลังกายบ่อยๆนะจะได้เหนื่อยยากกว่านี้เหลืออีกเซตหนึ่งเดี๋ยวพวกเธอเล่นกันไปเถอะฝนไม่ไหวแล้ว้ยสายก็ไม่ไหวหนุ่มๆเธอเล่นกันต่อเถอะเดี๋ยวจะคอยส่งใจเชียร์อยู่ตรงนี้นะ เอาเธอไม่ไหวก็ไม่ไหวไปนั่งทานอะไรกันในห้องอาหารมุมนู้นดีกว่ามีของอร่อยหลายอย่างอา้าวจะค้างไว้ครึ่งกลา ง, ค ง, ค ง, คงแค่นี้เหรอเออกูหมดแรงแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่านะเพื่อนเธอเนี่ยท่าทางเอาจริงเอาจังหลือเกินนะเลิศสงสัยกลัวแพ้มากคนหลอก็เงีย้ยแหละเมื่อกี้เลิศช่วยรักษาหน้าให้เขาเหรอ ลูเทท้ายน่ะแกล้งอ่อยให้ใช่ม <c oughs> ตอบหน่อยดิอยากรู้เจตนาซายชอบคนมีน้ำใจมากกว่าพวกชอบอะไรบี้ชาว บ, บ้านใช่ไหมล่ะเราอยากชนะใจซายมากกว่าชนะแบบนะแน่ใจเหรอว่าเข้าใจถูกซายอาจชอบผู้ชนะก็ได้ผู้หญิงชอบผู้ชายที่ชนะกันทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่รู้จักซายถ้าเราไม่รู้ว่าซายแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นยังไง แล้เราจะเอาอะไรไปทำให้ซายยอมรับเราได้น่าแปลกจังแค่เรื่องธรรมดาคําพูดก็แสนธรรมดาแต่ทำไมใจเราถึงปิติตื้นตันขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยนะหรือว่าเราจะเริ่มรักเลิกเข้าแล้วจริงๆหนุ่มสาวทั้งสี่มาที่ห้องอาหารในคอร์ดแบทโดยพื่อหัสกับระองฝนเลือกซื้อของว่างเครื่องดื่มได้ก่อนจึงมานั่งคุยกัน ระหว่างรอจองเลิกกับนัชเลเลือกอาหารตามมาที่หลังหายเหนื่อยหรื อ, อยังครับฝนอ้ยยังเพลียอยู่เลยอ่ะเล่นา น, นานออกกําลังกายจนเหนือ่อยท่วมอย่างนี้ทีถ้าทางต่อยไม่เหนื่อยเลยนะคะเล่นประจําก็เหนื่อยยากหน่อยครับชินแล้วพวกเราน่าจะมาเล่นกันอีกบ่อยๆผมกับเลิกมาที่นี่เป็นประจําเลยไม่เข็ดที่จะเล่นคู่กับฝนเหรอโอ้ยไม่เลยเล่นเอาสนุกแล้วพวกเราก็ได้ความสนุกกันแล้วไง อีกอย่างนานๆได้เล่นคู่รู้สึกดีไปอีกแบบผมชอบบรรยากาศร่วมทีมกันเหมือนมีส่วนขยายของเราแตกออกไปแพ้ด้วยกันชนะด้วยกันมันก็จริงนะได้ออกกันมังกายแล้วก็รู้สึกสดชื่นเหมือนกัน <c oughs> เออหลอกง่ายดีเว้พูดให้ฟังดูดีแค่นี้ก็เชื่อเราฟังคำพูดตัวเองแล้วยังเลี่ยนแทบพวกเล่นกีฬาอย่างเนี้ยใครมันอยากจะแพ้กันวะ ชนะด้วยกันนะ่ะพอได้แต่แพ้ด้วยกันนะ่ะไม่เอาด้วยหรอฝนกับทรายถ้าทางสนิทคุ้นเคยกับเจ้าเรือกดีนะเหมือนคบหากันมานานแล้วแฟนคนแรกของทรายนะ่ะฝนเพิ่งเห็นหนะ้าครั้งแรกไม่กี่อาทิตย์ก่อนนี้เองพูดคุยทักทายกันแค่สองสามคำเหรอทรายเขาก็แฟนคนแรกของเรืกเหมือนกันเรือกมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังกับผมตลอดเจ้าเพื่อนคนเนี้มีอะไรพลิกความคาดหมายเพื่อนฝูงได้เป็นระยะ เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าสมัยประถมกับซายใช่ไหมอืมกำลังคุยด้วยกันอยู่แล้วฝนถ้ามันนินทาอะไรเราช่วยเกศไปบอกต่อด้วยนะจะได้เช็คบินถูกคนสมัยเนี้ยเป็นโรคขี้ระแวงสงสัยมีความผิดติดตัวมากเลยกลัวคนอื่นนินทาการเล่ไม่มีอะไรมากหรอกเมื่อกี้ต่อยบอกว่าสายกับฝนควรเล่นกีฬาสม่ําเสมอจะได้มีเหนื่อยง่าย ผนก็ว่าดีนะให้พวกเขาสอนเส้นเลยอย่างเลิกเนี่ยคอมก็เก่งเล่นกีฬาก็เก่งเป็นครูที่ดีได้เลยวต่อีนี่ก็น่าจะทําได้เหมือนกันตายแล้วอิตาเจ้าชู้คงพูดจากุรีทางให้ฝนชื่นชมไปได้เยอะเลยสิไม่ได้แล้วเราต้องหาทางเลิ่งดีกว่าพูดถึงเรื่องความเก่งก็จริงนะ เธอเก่งทั้งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาน่าจะทำกรรมมาดีนั่นสิเอาที่เห็นเห็นในชาตินี้แต่ว่าเธอทำอะไรมั่งถึงได้เก่งไปหมดแบบเนี้ยก็เราก็แค่ทุ่มสุดตัวกับสิ่งที่สนใจอืมทุ่มสุดตัวนี่ก็คืออิทธิบาทสีเต็มขั้นนั่นเองอืมเป็นยังไงเหรอก็เป็นอย่างที่เธอว่าทุ่มสุดตัวนั่นและทุ่มสุดตัวของเธอเป็นยังไงละ่ะอืม ก็ถ้าเราติดใจอะไรเราก็จะอยู่กับมาได้ทั้งวันทั้งคืนด้วยความสนุกแล้วก็คิดคิดคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ายอมลงทุนลงแรงลงเวลาชนิดที่เทหมดหน้าตักเพื่อได้มาถึงสิ่งที่เราต้องการพอเริ่มติดใจก็เริ่มมีไฟอิทธิบาทจุดขึ้นเป็นดวงแรกไงจากนั้นไฟอิทธิบาทสีที่เหลือก็จะตามมาจนครบสี่ดวงเราอิทธิบาทสีมีอะไรบ้างเหรอครับทราย ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสา อ, อแปลว่าอะไร呀ไม่รู้ได้ไงว่าเราแกล้งพูดภาษาบาลีเพราะเหมือนไส้ท่าทางเจ้าชู้ของเธอฉันทะแปลว่าความพอใจวิริยะแปลว่าความเพียรจิตตะแปลว่าฝากักใยวิมังสาแปลว่าใคร่ครวญจำง่ายๆว่ามีใจรักรู้จักภาคเพียรเวียนฝ่ายใจใคร่ครวญเสมอ เหมือนที่เลิกบอกว่าชอบอะไรก็ทุ่มสุดตัวไงพอเกิดแรงบันดาลใจติดใจอะไรตรงนั้นก็คือเกิดฉันทะพอมีกำลังอยู่กับสิ่งนั้นได้ทั้งวันทั้งคืนตรงนั้นคือวิริยะพอเอาแต่คิดคิดคิดคิดถึงเรื่องที่สนใจไม่เลิกตรงนั้นคือจิตตะพอค้นคว้าสแสวงหาเอาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้มีการประเมินผลมีการคิดใหม่ เมื่อของเก่าล้มเหลวหรือหาทางลัดเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นตรงนั้นคือวิมังษาโอเคเลยอย่างน้อยเราก็มีธรรมะอยู่บ้างโดยไม่รู้ตัวศัพท์อย่างเช่นอิทธิบาท4แค่ทําหน้าที่แจกแจงความจริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องท่องจําเป็นคําำเสก่อนแล้วถึงจะเป็นคนที่มีอิทธิบาท4ได้ตรงข้ามอย่างทรายรู้ความหมายของอิทธิบาทแต่ก็ไม่ได้มีไฟอิทธิบาททั้ง4ี่เจิดจ้าเท่าหนึ่งในร้อยของเลิกลอก โอ้โหเยตายแล้วกูพูดอะไรไม่ออกเลยหลงมาเป็นแกะดําอยู่คนเดียวเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะเพราะเธอคนนั้นคนเดียวเธอเหมือนฝันที่เป็นความจริงทั้งสวยทั้งมีธรรมะเฮ้ยนิรหันมานิยมผู้หญิงธรรมะธรรมโมตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยบอกไปไม่มีใครเชื่อเราเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยสองหนุ่มพาสองสาวไปส่งที่บ้านเสร็จเรียบร้อย ก็เดินกลับไปทางหน้าปากซอยระหว่างทางพริฤหัสก็หันมาถามกับจองเริกไงมึงน่ะเจอกูตัวตัวให้จบจบไปเลยมะพูดยังกับจะท้าโชคไอ้เวนไม่เอาหรอกวันนี้เหนื่อยแล้วอยากอาบน้ามากกว่าเฮ้ยทำไมใจสอดอย่างนี้วะเอาหน้ากูกำลังชุ่มชื่นหัวใจไม่มีกระายทำอย่างอื่นแล้วแวะกูจะอ้วกนี่แหละ เห็นไหมล่ะความริษยานั Middle ่นร like ้ายกาจขนาดไหนถึงก like ับจะอ้วกทีเดียวระวังของที่ขยอดออกมาจะมีสีแดงเหมือนเลือดนะโว้ยหะตกลงุ้งจะกลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวไว้อาบน้ำที่นี่ก่อนที่ไหนอะมึงตามกูมาละกันไอ้เลิกมันจะพาเรามาที่บ้านใครวะเป็นบ้านชั้นเดียวสภาพดีสีเพิ่งทาใหม่ พื้นที่กว้างพอจะมีสนามหญ้าผืนเล็กไว้ปูเสื่อนั่งเล่นแต่ไม่ยากมีต้นไม้ใหญ่ดูยังกับบ้านจัดสรรเพิ่งสร้างเสร็จเฮ้ยเอร์กบ้านใครอ่ะเปิดประตูบ้านเข้าสุมสี่สุมห้าก็ซวยหรอกบ้านกูเองซื้อไว้อาบน้ำํำหน่อยไอ้ไอ้บุคคลมีรายได้น้อยถ้าอย่างมึงมีเงินซื้อบ้านไว้อาบน้ํากูคงต้องรีบซื้อคอปเตอร์ไวส่งอีกาเล่นมั่งแล้วเออค่าคอปเตอร์ยังขายเท่าไหร่ มึงวายืมกูก่อนได้นะไอเวยเนยพูดอย่างกัเป็นอาเสียใหญ่แต่เฮ้ยบ้านทางหลังมันโลง่งว่างไม่มีข้าวของอะไรสักอย่างนอกจากห้องน้ำกลางกับห้องนอนแล้วก็ไม่มีสมบัติข้าวของเครื่องใช้อะไรเลยแสดงว่าไอ้เลอฟมันต้องอยู่ที่นี่ตามลำพังคนเดียวจริงๆแนะ่ตอยเดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนแล้วจะนั้นค่อยตา ม, มึงแล้วกันอะไรวะ ในห้องนอนมีโต๊ะทำงานใหม่ตู้เสื้อผ้าใหม่เอี่ยมเบอกที่นอนก็ใหม่เหมือนเพิ่งซื้อมาใช้หรือว่าไอเ้เลอกมันเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้จริงๆอย่าบอกนะว่าไอเ้เลอศเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆมันตั้งใจซื้อบ้านใกล้ๆกับซ้ายตอนที่มันกับซ้ายตกลงใจเป็นแฟนกันแล้ว